ช่วงนี้ตามพื้นตามถนนนี่จะมีใบไม้เนี่ยเกลื่อนเยอะเลยนะใบไม้พวกนี้มาจากไหนนะมันก็มาจากต้นไม้นั่นแหละปกติถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยต้นไม้ที่ร่วงหรือเกลื่อนตามพื้นจะมีน้อยนะแต่นี่เป็นช่วงหน้าแรงหน้าแรงก็หมายความว่า ฝนมีน้อยลงหรือไม่มีเลยตามพื้นดินก็เริ่มแห้งน้ำเนี่ยนะมันสําคัญกับต้นไม้ต้นไม้นี่อยู่ได้ก็เพราน้ําพอน้ําเริ่มลดน้อยถอยลงเกิดความแห้งแล้งต้นไม้นี่ก็จําเป็นต้องทิ้งใบส่วนหนึ่งปกติต้นไม้นี่ก็หวงแหนใบไม้นะ เพราะว่าใบไม้ี่สำคัญนะต่อการสังเคราะห์ อ, อาหารแต่เมื่อน้ำมีน้อยลงต้นไม้ก็จำเป็นที่จะต้องอทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญออกไปจำนวนหนึ่งนะเพื่อให้สามารถอยู่ได้ตลอดหรือ ด, ดูหนาวหรือ ด, ดูแรง แม้ก็จะรักห่วงแหนใบไม้ไงก็จําต้องยอมปล่อยทิ้งลงไปอันนี้เขากาลังสอนทำให้กับเรานะกำลังสอนทำให้กับเราว่าบางครั้งชีวิตของคนเราบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะลดน้อยถอยลงหรือฝืดเคืองถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่าง ที่อาจจะเคยชอบหรืออาจจะเคยใช้อยู่เป็นประจำอย่างเช่นบางคนเนี่ยเคยมีเงินมีทองแต่ตอนนี้รายได้มันก็ไร้หรอมีเงินน้อยลงไม่มีเงินน้อยลงก็ต้องยอมนะที่ต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เคยทำเคยชอบเช่นอาจจะเคยชอบไปกินอาหารนอกบ้าน หรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อเงินมีน้อยลงนะก็ต้องยอมลดยอมละความสุขหรือความบันเทิงเหล่านี้ลงไปบ้างถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยก็จะแย่ไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมบางอย่างหรือว่าสิ่งเสพบางอย่างที่ไอ้ต้องลดละลงนะแม้แต่ ความสะดวกสบายที่เคยมีก็ต้องลดละบ้างแต่ก่อนอาจจะไปไหนมาไหนก็นั่งแท็กซี่หรือว่าขับรถแต่ตอนนี้เงินทองร่อยลอก็ต้องขายรถนั่งรถเม์หรือว่าเดินให้มากขึ้น บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่ า, ามีเงินน้อยลงแต่ว่าอาจจะเกิดเจ็บป่วยขึ้นมามีความจำเป็นต้องใช้เงินในการรักษาแต่ว่าเงินก็มีจำกัดวันนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องยอมนะขายรถหรือว่าขายบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยรักนะ บางคนอาจจะมีพระเครื่องเยอะนะแต่ก็จำต้องปล่อยออกไปเพื่อได้มีเงินมาช่วยในการรักษาพยาบาลตัวเองถ้าไม่ยอมปล่อยนะหรือว่ายังหวงแหนนะอันนี้ก็เกิดโทษขึ้นมาได้แต่คนจำนวนไม่น้อยนี่ก็ก็ยังมีความหวงความแหนนะ่หวงแหนรถหวงแหนพระเครื่องหวงแหนหลายสิ่งหลายอย่าง แบบนี้ก็คงจะผ่านพ้นวิกฤตได้ยากบางช่วงบางคราวในวิกฤตเศรษฐกิจมันก็มาเยือนนะหุ้นก็ตกนะแต่บางคนเนี่ยนะก็ยังหวงแหนหุ้นเอาไว้ไม่ยอมปล่อยทั้งที่มันมีตาจ ะ, ะลดลราคาก็ต่ำไปเรื่อยๆนะยังกอดเอาไว้ แต่ถ้าปล่อยตั้งแต่ตอนนี้ยอมขายแม้จะได้เงินน้อยแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้หุ้นเป็นขยะบางคนเราจะคิดแต่จะมีได้สะสมอย่างนี้ไม่พอนะมันต้องคิดถึงการลดการละการปล่อยการวางเดือนเดยเพราะในยามที่เกิดความไม่ปกติขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งนะที่ เราจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ใช่เงินทองเงินทองนี่มันมีบางช่วงเราก็ได้มากแต่บางช่วงเราก็มีน้อยมันไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอยคือว่าเวลาของเราในโลกนี้มันก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะเมื่อเวลาเหลือน้อยลงนะก็ต้องนะรู้จักรลดรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางบางสิ่งบางอย่าง โดยเพราะสิ่งที่มันเคยกินเวลาของเราไปการเที่ยวการเล่นการสนุกสนานนะหรือว่าการเล่นเกมไอ้พวกนี้นี่มันก็าจะเคยทำให้ชีวเราเนี่ยมีชีวชีวาขึ้นมาจะมีความกระชุ่มกระชวยแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราตระหนักว่าเวลาของเราในโลกนี้เหลือน้อยลง เราควรจะเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปทำสิ่งที่มีค่ามากกว่านะอะไรที่ไม่จงเป็นก็ต้องปล่อยต้องวางมันไม่ใช่ว่ากิจกรรมนะที่มันใช้เวลาจากเราไปบางอย่างนี่มันสร้างภาระกับจิตใจก็ต้องปล่อยต้องวางด้วยเช่นเงินทองนะมีอมาม่าคนนึงนะแกก็มีฐานะดีนะ คนก็มากู้หนี้ยืมสินจากยาเยอะเมื่อถึงเวลาที่พบว่าตัวเองเนี่ยป่วยแล้วก็อยู่ในระยะท้ายนี้สิ่งที่แกทำก็คือว่าไม่ใช่แค่จัดการทรัพย์สินเงินทองให้เป็นมรดกกับลูกหลานทําพินัยกรรมแต่ก็ยังไปบอกลูกนี่ทั้งหลายว่าเนี่ยฉันสะละล้ไม่เอาแล้วนะยกนี่ให้เลยบอกลูกนี่ทุกคนเลยฉันยกนี้ให้เลย ไม่เอาละนี่เรยาเป็นการปล่อยการวางเนี่ยเหมือนกับเ <c oughs> มือต้นไม้เนี่ยที่พอมันเข้าหน้าแลงรู้แล้วก็ต้องทิ้งใบแล้วทิ้งใบลงไปเรื่อยๆแต่ต้นไม้นี่ทิ้งใบเพื่อจะได้อยู่รอดนะนะเมือ่อฤดูหนาวผ่านไปเมือ่อฤดูแรงสิ้นสุดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรานี่อาจจะไม่รอดแล้วนะหรือไม่ก็ต้องไปเดินทางไปสู่ปรโลก เพรานั้นเนี่ยไอ้ที่มีอยู่อะไรบางอย่างที่มันเป็นเครื่องกดทวงหน่วงทางก็ต้องปล่อยทรัพย์สินเงินทองที่มันเคยเป็นภาระหรือพันธา ข, ของใจก็รู้อยากปล่อยอาจจะปล่อยที่ใจนะปล่อยที่ใจเป็นเบื้องต้นเรื่องความเจ็บช้าน้ําใจความโกรธแค้นนะความอาฆาต พ, พยาบาทความโกรธเคืองก็ต้องปล่อยเหมือนกัน พอไมงานเนี่ยทำใ ห, ให้การเดินทางไปสู่ปรโลกนี้มันจะไม่ราบรื่นนะเพอเพอแทนที่จะไปสู่กติกับไปสู่ทุกขะเเลยก็ได้ไมช่วยเรานี่ก็เหลือน้อยมีเวลาเหลือน้อยหไปทุกทีทุกทีทุกคนแหละนะพ ะ, ะนั้นต้องคิดเรื่องการลดการละการปล่อยการวางการทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นหรือเป็นอุปสรรคนะต่ อ, อการมีชีวิตที่ผาสุก รวมไปถึงการจากไปอย่างสงบหรือไปสู่สุคติด้วยก็ศึกษาเรียนรู้่ากต้นไม้ไว้นะจะได้รู้จกักปล่อยรู้จักวางรู้จักทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปมั่งเพื่อประโยชน์ในระยะยาว